คำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราดคือศาสดาของเราทรงบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นค่าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกันกบสถานที่กิเลสอยู่นั้น ท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกขแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่ มีอยู่สามสี่ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นขนแหนงออกมาถ้าอยู่เฉยเฉยสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในยจิตใจนั้น เมื่ อ, อาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทางานความโลภทํางานความโกรธทํางานความหลงทํางานความรักความชังทํางานหรือความยินดียินร้ายทํางานเหล่านี้น้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลส ทำงานเพื่อผลลายได้ของตนแล้วขนผลลายได้ทั้งวนเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกโทั่วๆไปใจจริงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคล กำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็าตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบพระชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสคลองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเยืเรืองอำนาจมากภายใน จ, ใจิตใจย่อมทำสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานมากเจตเรื่องอำนาจน้อยความทุกข์ก็มีน้อยกิเลสหมดไปจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องสังหารไม่มีเหลือแล้วไม่มีคำว่ายุ่งยากลำบากลำบุเหมือนกิเลสครองใจนี่คือธรรมครองใจ ทำครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือทายุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจริงไม่มีคาว่าว่างจากกิเลสแม้ดวงเดียวเว้นใจพระหันเท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ ใจของท่านก็บันตุสิ่งตั้งหลายที่เป็นข่าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราเราท่านท่านแต่เพราะการชำละสะสรงด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธ เ, ทเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสสติ ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความ เนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากฐานถอดถอนกิเลสออกจา ก, กจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลาย พิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจา ก, ก จ, จิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ทมกับโลกหรือกิเลสกับธรรม การกระทําก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งๆ ท, ที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนํามาช้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อการทําลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั้นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัท ธ, ธาวิรยาสติสมาธิปัญญา เพราะทำคนให้โง่กเก่าทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากทางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นค่าสิทธต่อธรรมและเป็นค่าจิดต่อใจของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนาธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้ โดยถูกต้องแน่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิลเลสเขี่ยมสอนมนุษย์เขี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยนมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีทาเป็นคู่แข็มสัตว์โลกจะต้องถูกกรอมจากวิชาของกิลเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับกันดา จิตใจนี่รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อียาบุตรไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทํางานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีทำเป็นเครื่องคัดค้านต่านทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทํางานขอให้พากันจําไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอํานาจกับทำเรื่องอำนาจนั้นต่างกัน คนละโลกถ้าถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิ่เลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิ่เละนั้นก็เพราะเราไม่มี ความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน <c oughs> นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาบอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะ ทมต้องมีครูมีแบบมีฉบับศาสตร์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัดต่อทมต่อวิ ช, ชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหลนตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้น ด้วยเหตุ น, นี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลําบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นํามาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นํามาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพนูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะ ได้อัดได้ทาขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกที่กดกี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบรารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากภะคะห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานี่เลย เมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งโส่งเสริมโดยไถ่เดียวรำซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศ ก, ก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระไทยโดยระดับธรรมดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหวบูชา และได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้ยังเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอฆันดานทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟัง โดยไม่ต้องเดกค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระาว่าดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสยเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์ และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลมสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นานเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสตังทับบัญชา ดูตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัตจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลย การชนะกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากทำท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากทำทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคําว่ายากคำว่าลําบากด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลําบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสบัณฑดังคำ หรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสวันยังข่ำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมาน เพราะยาพิษสังอยู่ภายในนั้นมีอวิชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายขาแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเตียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสาหรับเผารุนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลย จะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทําจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระาวา่าคําสั่งสอนของพระพุตติจ่าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะ ก, กี่กับกี่กันก็ไม่มีกําหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความ สัทธาวิยาสติสมาธินี้เป็นทําขัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าสังสามสิบกว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นดาวเกาหมดเกาหมดัดสอนจากเหตุจาก การที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีลบราค่าฟันกับพิเลตตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายใน จ, จิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทําไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นความจริงที่ได้นํามากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวลามเวลาทํำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อ ต, อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลุดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำหลับตําดาเกิดความสลุดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะ ซึ่งเท่ากับแบบไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเปามากน้อยอย่างถึงใจนั้นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็น เรื่องของกิเลสทั้งมวลคํามากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภ า, ายในกิจใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี่เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเอะความไม่ดีก็ทำเป็นพูดชี้พูดแน่ตามหลักความจริงแท้ อะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราษศาสตร์กระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนประดามตามกันวิเดไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้น อยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลําดับลาดาหากความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภั ย, ภ ย, ภยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมด ดวนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้คิดหายไปได้ด้วยยาพิษนั่นด้วยกันเพื่อนชัวกิเลศก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเขิดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขต่อถอนและเชื่อทำอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อ มรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสั่งสอนของพระเุเจ้าว่าเป็นศ า, ศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิญญาเพียนนักปฏิบัติไม่เพียนใครจะเพียนสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาวล า, าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี้ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจ หากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของกิจแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกก็ยอมรับว่าทุก์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คลิปหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัย สถานที่นั้นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลาบากประการใดในนั้นกิเลสไม่เลยสนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้น เป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนทถลอกปล่เปิกนอกจากทํากระเจิงไปเท่านัไหร่มีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอํานาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิเลาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหลือนักปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนี้เหรือเราอยากจะถามอย่างนั้น ถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมูกับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสั้นประจากกิจใจนั่นแหละจิงต้องถามนีม่การถามหมูถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมูเพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจริงต้องเป็นเช่นนั้น ผู้ปฏิบัติทำปฏิบัติอย่างไรฮังถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดซะบ้านไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกัวอาจารย์ก็อแต่แนะนสั่งสอนเต็มทสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดเรื่งมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดี ของพิเศษอยู่ตรงนี้เหรอทันที่ที่ว่าไปไหนต้องสอะแสวงหาครูหาอาจารย์แต่ลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่ า, าว่ากล่าวมันยิ่งจะปลายใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอา จ, จารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มดิสเต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจารใจเรามันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามั้นอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตลาดอยู่ในวงทรรงยี่ไนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูก ก, ถกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่าง เต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นทัดทัเห็นหน้าทุเลศอย่างที่เพียงก่อทาธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นค่าศึกต่อยิตตภาวนานั้น ประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำลับตําลาท่านก่อแสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่นายก็มีการบำเพ็ญสมณธรร ม, รรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มพึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัด ร, ระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้าง อย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเด้นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม่ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากกิจมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ําที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็อไม่ควรไปอยู่ให้ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวก นั่นท่านชี้แจงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติทำงานเหล่านั้นทําได้ง่ายแต่และการทําลายสมณธรรมของเราก็ทําลายได้ง่ายงานที่จะผิดทำงานของธรรมบาเพ็ญงานของธรรมทางานของธรรมให้เกิดนั้นทําได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ต า, ตาทั้งๆ ท, ที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความส ด, ดสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้ มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลําไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยาบุคของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นบอยของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันมีเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ความแต่หนามเห็นแต่ปืนแต่ไฟ ทิมแทงทั้งหูทั้งตาทั้งกิตใจไม่เว้นแต่ไวรัมเวลาไวรัมเวลาแต่เห็นไปหมดยิ่งมามากเท่าไหรก่ก็ยิ่งเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเยตนาไม่เกตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้คิบหายวายป่วงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้ ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมรเคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นทมเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ ยากนักจากหนาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการพุทธปฏิบัติการชี้แจงจริงต้องชี้แจงทั้งทั้ ง, ทงโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบําเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นน้ำเป็นหอกเป็นหเนหลาแหลมมาทิ่มแทง ดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปยามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจ ทมเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้สแสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยทรมีอยู่ที่ใดก็มีความสงบเย็นใจศักดิ์สิทธมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบรล่มเย็นไม่ได้นันออกทุกนี่ทุกมุม แสงหน้าแสงหลังยิงเล็กทุเล็กนะเพียงพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆกน้อยๆเท่านี้นะเกิดความสรุษสังเวชอามากข่าวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะหมาก็มีขราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจลงทมามันนี่ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีก ให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะเจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความหยาบต้องเป็นความหยาบปันย่งคั้การทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่จะทำสุ่มสี่สุ่มห้า โดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความทอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าทำความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบรากต่อกิเลส นี่ไม่เหมาะผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเือเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นค่าสิทธิของธรรม้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ข็มีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลย ถามทุกชาติท่านวันนั้นใครได้รั บ, รบความพิเศษพิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำตัางหาททำให้คนได้รับความสงบสุขร่มเยความจเจริญเจริญที่ใจต่างหายิ่งกว่าด้านวัตถุ วัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบลมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุจเจริญบ้านนั้นจเจริญบ้านนี้นจเจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้ จเจริญ น, นี่สิสาคัญมันทำลายตรงนี้หามันจเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี่อะไรจ ะ, จะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลาดับลํามดามันจเจริญ อ, อะไรถ้าไม่จเจริญด้วยฟืนด้วยไฟ เพราะความโลภ ก, ก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเฮือหืมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฝุนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจะมาทั่งวันตาถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไป บำรุงกิจใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ทมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าทมเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริ ง, จรงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเ ห, เห็นกันอยู่ทั่วท่วไป พูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านท่องตลาดลาดเลยเหลองอารามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาระมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ายฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวช จะเริ่มตัง้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานขอให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำะระซักพอกไมไ่รู้สึกตัวเลยมั้นเอาอะไรมากจะเลยความสงบล่มเย็ยนเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมากจะเลยถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาดหรือ ย, ยิ่งกว่าเขาซะอีกมันมีเส็จอะไร ยังผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชเฉยเฉยกิเลสไม่ได้บวช ด, ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็ดการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลายไปจากกิจใจด้วยความภาพเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายรายซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหามาจอยู่กับวัตถุนั้นวัตถุนี้ยันยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บาเพ็ญของพระวัะตถุประจัยทยทานเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโสมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันวันหนึ่งวันหนึ่งตูดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอา ค, ความดีความสงบรล่มเย็นความประเสริฐเลิอเล่อเรอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไรเกิดมาก็เกิดกับวัตถุ ท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรอือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดอกมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชสมบัตินั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นได้อะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกนังวลกังวานอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจ หันหน้าซ่องสุมกับกิเลสวันย่งค่าคืนยังรุ่งหลับตื่นลืมตาไม่จะหันหน้าสุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบํารุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราภาพด้วยการอบุตรปฏิบัติธรรมแล้ว เราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้เหรอธรรมคำของพระเจ้าไม่ใช่ตุ ก, กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ ก, กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ ก, กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเร า, า, ป เ, ราเป็นตุ ก, กตาเท่านั้นตุ ก, กตากับตุ ก, กตามันก็เข้ากันได้ดี อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านตรายกร อ, อะไรทั้เกิดผลประโยชน์อะไรเที่ยวที่อาศาัยกับมันกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์มิมานที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี้เต็มไปไม่อดไม่อยาก พุ่งเฟอเ้อเหิมติ้นดนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามยิเลศชอบชอบนั่นแหละมาทำ รู้ไหมว่ากิลเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันมวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจรึงจ้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาพุ้นเฟ้อเหอเหอิมือพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกาไมท้ทั้งหลายเหรอเล่าถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติข้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทา ไอ้กิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทํามันยิ่งโกยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันทุกวันเยียบย่าทําลายวั ด, า ว, ดวาอาวาสครูบาอาจารย์เขาไปโดยลําดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเยียบแบบหนึ่งทําลายแบบหนึ่งใหม่เบียบแบบหนึ่งทําลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทําลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี่แล้วหลังไหลาเข้ามา เ, เรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไร แนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวซามลงไปเหรอสั่งสอนเพื่อชำระความเลวซามต่างหากเพื่อของของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสจรดสังเวชนะั่อยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทน ที่อยู่กับเพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาความเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตามงามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ําทํำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจ ที่จะแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้จะฝืนสอนไปทำใหม่มันไม่เป็นประโยชน์ทังจะฝืนทําอยู่ทำใหม่ถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนน่ะทําอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทําไม่เป็นประโยชน์ทําประตทำใหมให่การแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนค่สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วเวลานี้ ทำไมผลมันจึงแทกจึงแฉงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนาธรรมและวงปฏิบัติ ด, ด้วยําให้เห็นตำทาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านานั้นน่ะไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้รู้รล้นักหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาประรบสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาประรบสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าได้เหยียบย่าทาลาย ศาสนาและครูบาอาจารย์ยางเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นเหรอและดูท่านตั้งหลายที่มานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทําไมจิตรยาที่ทํามันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกําลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะรู้หลาโก้ หัวใจเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูเพิงเหรอมีสอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอดในธรรมพระเสด็จก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสดน์ยิ่งกว่าธรรมจึงสอนลงตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้ มันแทกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งก็ท่าดขันจำบุตรลงไปไม่ควไอด้ยแนะนําอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนดูานตามสภาพของท่าของขันมันก็ยิ่งเขวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียร์จันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกมนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้ไปยังไง ช้อนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงฤทธ์เต็มที่เต็มฐานอังมันอย่างนั้นเหรอเหมือนจะว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่ อยากแสดงลวดลายอวดทำทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำาหมทไหมเต็มไม่เต็มเหม่อยก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่นันเต็มขูมความเหลวเอาที่ถ้าเป็น ไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาพเพียนบังคับกิเลสตัวมันอยา่างดีดอย่างดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นนี่มันจะเป็นยังไงนะักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบให้เห็นเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วนี่สลบจะเป็นอะไรไป มองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามเหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกรวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากปรมีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจมไม่มีเหลือมีแต่กิเลส เต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มหลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่เหรอมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่เหรือสอนทั้งหมดทุกบททุกบทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทําไมมันจึงเป็นเชนนั้น นี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่กับพ่อหมู่เพราะเพื่อ น, นั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลําบากลําบนในเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขัภาภานอันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทําไมจะไม่รู้ทําไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่ มันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิแน่มันยากอะไรจะอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ํำนมไฟเป็นเรื่องของดินน้ํำนมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ําทําลายจิตใจให้ลําบากลำบุญถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเถือนกระเทือนกันที่ไหน เมื่ อ, ต, อ ต, ต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากพิจารใจเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องตื่นรวนกระวนวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลย มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปสหมดฐานเนนทั้งหมดก็กลายเป็นครังกิเลสไปหมดไม่มีครังแห่งธรรมแล้วทำาไงยังสนุกยังเทินอยู่เหลือเวลานี้ ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายปู่ไม่เป็นท่าเขายิ่งสนุกแสดงรวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ฟางกันอยู่ตลอดทุกแข่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะ ปกติแม่มาเด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใจหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อคาํายกโทษยกกรแบบโลกโลกเขา ดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูเพกกื่อกันแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองยังเป็นความลาบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนตอนสังเกตดูตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องมาดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเอง คนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูดาว่ากล่าวอยู่หรออ่าแนะนำสั่งสอนของมันมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการมาพื้นปฏิบัติก็ด้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดา ไม่มีปิดปางลี้รับความทุกข์ความยากความละ บ, บาก ท, ทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนิฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไกรภพนี้นี่เราบอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อกันจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็น นักมวยก็แชมเปี้ยนนวดเลวทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทําให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลําดับลำดับแล้วจะไม่เห็นเพลิงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอ า, อ ย, เ อ, าอยู่ตลอดไปเห็นไหมครับความทุกข์ความทรมารมันเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลา ที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทั้งด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะทำเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะวางความสุขความจเจริญจากอะไร เคยกลาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทํางานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมา ส ต, ติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มปฏิกกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกนมายาของหมัดยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งทอ้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของทอี่เดือดอีกเหมือนกันเพราะจิตเอให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นมันมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตา ก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งทิ่เรศมันมีกําลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกําลังของาธาตุมันมีมากขึ้นโดยลําดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้าน จ, จิตใจซึ่งเป็นตัวทิเรศตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกําลังมากขึ้น จึงต้องในตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบในใชยความฝุกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกําลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุบรรต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสเมกี่กองพลมันก็ ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลากดนอนลุือผอนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของของกิเลสมันก็นับวันนัก็นับวัน ล, ล, ล, ลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทัน พอล้างกันไม่ได้สองบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายาทั้งทั้งที่ยากทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่หิวหิวหวิหวหวิหวจนตัวสัน่นก็เอาอือันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทํานั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐปุ๊ เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าทำนี้ประเสริฐแล้วจะพยายามเอาทําให้ได้เี่ยก็ต้องตะเกียบตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกลาบากเพราะความหิวความโหยวความอ่อนเพียรขนาดไหนก็ต้องได้ทํานี่เพราะมันลําบากในขั้นเดิมแรกจนกระทั่งมันได้รับความสงอบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทําไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานนี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้ว เมื่อได้ผลอย่างไรทุกยากลาบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลส ข, ของเรามันนิยมเช่นนี้ทำของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลาบากขนาดไหนก็ต้องทําจะไปหลีดไปเลี่ยงไปทําอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลําบากก็ต้องทำํำนี่ นี่ละการผึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทั้งตาทางหูทั้งจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นอ่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเอง ไม่ได้สัมผัสสัมผัสทั้งปันอะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั้นะมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทึบเวทีนั่นกระทึบโรงนั้นจนจะบันไหลคือกระทึบหัวใจแเราถึงขนาดนั้น่ะเวลามันคึกมันขนองอิกมันเป็นด้วยกันนั่นแหละ แต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกข์ก็ยอมถ่าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรฉันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยิ่งต้องในฝึกด้วยทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องในอ ด, ดทน เพื่อรถของรำยิ่งกว่ารถของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินเปไน็ไหนๆก็ต้องได้ฝืนได้ทํานี่ดยเัง น, นั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลําบากเรื่อยมาเดื่อการอดทั้งที่อยากอยากหิวหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำํำทนเอาเพราะเห็นผลภ า, ายในจิตใจจนท้องเสียเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทํา เพียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝุกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษนี่ก็ไม่เสียได้ที่เคยทาลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขายะแขยงไม่ได้เป็นท่นี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งเหตุมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเกี่ยว เพราะความทุกข์ข้อนอันบากเพระด้วยความคืบขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปีกตัวไม่ได้เพราะกําลังไม่พอมันเมื่อกําลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิน้นไม่ดีดหรูสมายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้ว รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสซึ่งมันเคยพัวพันเอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลุนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายใน จ, ใจิตใจจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิหวโหยไม่กระโดดรูดเรื่อไปถึงรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคขี่คลคานออก ยิเรศมันมหมาะพเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิยิเรศเหมอบเท่า น, นั้นไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ทิหายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาปัญนาคลีค่คลายมันเห็นในสกุลกายดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักทำกรรมาฐานห้ามีเกสรลง ม, มาหนาขานตาตาจูเป็นต้นในอาการสามสวองซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี นี่เป็นของเล็กน้อยแล้เหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกสาลมาณขาตัณหาตัวนี้เองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมาอ่า ม, มันสวยงามที่ตรงไหนผมแค่มันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ ข, ะขยะขยะงไปแล้วกระทั่งที่อยู่บนศีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตาย ว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นอะ่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใครชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมาฐานนี้เข้าไปลี่คลายดูเกสาลงมานะขาตันตาแต่จนดูให้มาเห็นตามความจริองอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกกรต่งหา นี่คืความจริงอ่ะปฏิคูณโสโกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดส ก, กุลนายนี้มันก็คือปา่าช้าผีดิบนั่นเองปา่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนการดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบางครั้งมันมาดูนี่อ่ะก็บางครั้ ง, งมันทํางานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทํางานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทํางานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐาน ที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่วิญญาณเห็นทัดแจ้งตามเป็นจริงเดาหูจะมันรู้พลิกข้างนอกข้างในดูเห็นทัดเจนแต่และอย่างละอย่างจเจ้าอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักจะกระจายไปหมดทั่วสารพรางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกัน<ม>นิรเดชมันก็มาเหม า, เาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลกมเมฆมันก็บอกว่าสวยวั ง, งาม แล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ท้ามาเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของที่เหล็กก็จะให้มันหลอกเลื่อยไปอย่างนั้นแหละยิงต้องเอากรรมาฐานห้านี่อาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอ ก, กยังตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วนนปอาการของคนของสัตว์ พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิหนาลอาใจหน้าเสียเอียนหน้าขยะขยะงนั่นตายเยียง24ชั่วโมงมันดูกันได้หรือเหลอาปีนานใช่เอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปใชเป็นยังไงอืม36ชั่วโมงหรือ1อ0ชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้ไหมนั่นอย่างนั้นมันก็ระเบิดออกมามันเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนน นั่นเหลือของสวยของงามจน ถ, ถึงขนาดแตกบ้านแตกเบื้องยังไม่รู้มันปฏิปุณมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมามาหลับหูรับตาว่ามันสวย ง, งามได้อยู่เหรอเอามีปัญญาอย่างลงไปเสพพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงร่วนร่วนรอยเปอร์เซ็นต์ิเรศมันตรอมร้อยเปอร์เซ็นมันหลอกร้อยเปอร์เ็นตมันเสือกสารัญญา100้ยอร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็ตเอาเข้าไปแก้กันเสะ มันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรับมาตั้งกับกี่กับกี่การก็ตามมันจะถอนพวดอปหมดเลยความยึดมั่นถึอมั่นในสิ่นี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นท่าเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ํามันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบบไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาฮะ ดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไห น, นมันก็มีแต่ดินน้ำนมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัต์เป็นมนุคย์เป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่า ง, งามก็ดินน้ำลมไฟที่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ำนมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทําอย่างเกาไปสิจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสุดสังเวจน้ําตาลล่วงโอ้โหโอ้โอสลดสังเวยอะไรจิตยิ่งเบาบาวหววิววิ ว, วพอมันถอนอุปทานออกมาเรื่อย ความยืนมั่นถือมัน่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยอืความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกี้เหร่แท้ๆนะ่ะเมื่อถึงขั้นที่มันขยัน มันเพียรในด้านอัตธรมเพื่อแก้เพื่อตอดถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้ลวนๆ น, นั่นมันเห็นกันอย่างนั้นนี่เภทานาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้แต่พิจนาเห็นตามความจริงมันจะทําทมาจะพิจรณาไม่ได้ทําเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นต่างกวามจิงจะพ้นความจริงไปได้อย่างไรสัญญาก็เงาของจิตอืมีอะไรเรากำเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทําไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่ยงั้น่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัย อันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่นอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วแล้วปรุงขึ้นมาจา ก, กจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาลอกตัวเองอยู่งั้นนั้นตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเลยพอเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจา ก, กจิตปรากฏขึ้นเป็นภาพกับภาพออกมาจา ก, กจิตรู้ชัดตามจิตมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีแต่นั้น เหนญาณความลับทราบเย็ยบแยบบก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาเห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงวัตล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพีนพ่านจิตก็สงบกิเลสเพีนผ่านหาความสงบไม่ได้ถึงต้องอาศัยสมาธิ จกนั้นก็คลี่คาทางด้านปัญญาจึงกระตั้งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบหาเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบเข้ามามันไม่หนีไปไหนเนาะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตประธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้ร อ, รอบขอบจิตในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่ นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอกปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันนี่มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวพบตัวชาติให้เกิดแก่เก็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่กิตท่านให้ชื่อพิเรศประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจยาสังกัลยาอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิด ในพบน้อยพบใหเกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิมา็พาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกนะะมันออกจากอันนี้วินาฝาดปั่นลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอกยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วนะไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่ยิเรศพาพร้อมต่างหากนี่ จิตทุกที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทําให้ทุกต่างหากนี่นั่นจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกที่ไหนมียากลําบากที่ตรงไหนอกิอเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เครียดขี่คร้านกิเลสตัางหากพายต้ตำหนิติเตียนตนว่าอําบุญ น, น้อยวาสนาน้อย อ, อแต่เวลาจะนอนตมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันมันไม่ได้บอกวันนั่นวาสนาน้อยหรือมาก เพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกแต่ภาค ก, กันทราบได้เสยนี่นะคนมายามกิเลสมันหลอกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราต่อสู้กิเลสมัต้องทุกข์ตรงยากทีเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรมื่อต่อสู้กิเลสกิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากที่นี่ดูแสนสบายอ้าวธรรมเรื่องอํานาจบนจิตจิตกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วมีอะไ ร, รมาติดมาคล้องในสามแดนโลกธาตุ เรียกว่าอวกาศของจิตนั่นหมายถึงอย่างนั้นอวกาศของโลกเป็นยังไงอวกาศของจิตเป็นยังไงฉันใดก็ฉันนั้นไม่มีอะไรผิดกาดนั้นติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหาเมื่อกิเลสได้สิ้นประจากใจแล้วอะไรมาขวางกิจถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบไหว้ฮวงต่างตัวปนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเบี่ยงนั้นเนี่ยนี่จิตก็รู้สุดเบี่ยม คิดได้สุดเบี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากัน้นมากางกีดใจมันเมืองมันว่างไปหมดกิเลสบไรรลัยปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเมืองวางไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนีย์จันไหลจึงฟัดลงให้มันแหลกใชนักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรููเห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงไ มันจะพ้นไปไหนศาสนางองค์เอกสอนลงเป็นสวดคารธรรมแท้ๆปลอมไปที่ไหนกิเลสมันปลอมวันยังค้ามอยู่ในหัวใจทํำไ้ไม่รู้ว่ามันปลอมพอจะหยิบธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติเพื่อคู่ชโยยาให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราวุฒิอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้คลองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆ ท ำ, ทำไมจะให้กิเลสมันเยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรแล้วเหรือนักปฏิบัติคิดบางทีคิดจะของแท้ฮ่าปุ๊บไปปุ๊บไปเหนื่อยอะเปลี่ยนตอนนี้นะ